หรือว่าเป็นสิ่งที่คนะรอบคลุมารฝังเขาครอบคลุของการปฏิบัติเนกะี่ับการศึกนษะาทางคิษฎีศึกษาปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าศึกษาจนชนานานญะก็จะเกิดผล ก, ก็คือได้ปฏิเวทก็คือผลตามปฏิบัติธรรมตามปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนทะุกวันี้ก็ มีหลายที่หลายแห่งที่เรียกว่าปฏิบัติตามแนทางสมงหลพ่อเทียนมีการปฏิบัติเป็นอัจซียเรียมูชาของหลวงปู่เทียนก็หลายแห่งในช่วงเวลานี้ที่วัดปากถุกโตก็มีการปฏิบัติเป็นอาเซียเรียมูชาที่วัดโมกจังหวัดขันแก่นที่ทับนุ่ฝันจังหวัดเลยหือหลายแห่งไ ด, จด้จัดขึ้ขนดเนจจดียวกันเพราะว่าเป็นวัน วันมรณะภาพของโซเทียนวันที่13 13ปัญญายนนี่จะเป็นวันค้ายวันมรณภาพของท่าเมื่อปี2531แต่ทริงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือวันที่5คันยายนนี่เป็นวันครบรอบคล้ายๆวันเกิดของท่าน100ปีพอดีนะเมื่อวันที่5ปันญายนเอาปี554ปีนี้เนาะครบอบ100ปีของโซเทียน การบูทีนถ้ามีความสําคัญอย่างไรพวกเราถึงต้องเรียกว่าอเรียนถึงของ้อควรของท่านหรือว่าปฏิบัติตามแนวท า, ง, ทา ง, ขงของท่านแม้ในทางโลกนะยูเนสโกอาจนนจะไม่ยกย่องในรอบร้อยปีเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นแต่จริงถ้าพูดถึงขุงขนมนุบประการในการปฏิบัติธรรมท่านก็มีคุณอุประการต่อสังคมไทยมากฉลวงพ่อคำเขียนเคยบอกว่า สมัยก่อนเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เน้นเรื่องการสุสติไม่ค่อยมเอีเป็นใหญ่ใ น, ใ น, ในหลายๆวิธีในหลายสำนักในหลายวัดจะเน้นการทําสมาธิเน้นการทําสมาธิเน้นการนั่งสมาธินั่งสมาธิให้ได้การให้ได้สมาธิแล้วค่อยเรียกว่าเริ่มนิพพานาตอน่อแต่หลวงปู่เทียนน่าจะเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแปรกที่เรียกว่า ประกาศคําสาอนที่เน้นเรื่องการปฏิบัติแบบนิพพานก็คือเรื่องการฝึกสติเป็นหลักเลยท่านบอกว่าสมาธินะไม่ค่อยจําเป็นนะจำเป็นที่เรื่องการฝึกสติเพก็ให้เกิดปัญญาโดยตรงแบบทำสมาธิท่านเคยฝึกเคยปฏิบัติแบบสมาธิมาหลายายุคแบบหลายวิธีการทําไปแล้วไม่เกิดผลสำรับตัวท่านเองนะไม่ใช่ว่าการทาสมาธิ ไม่เกิดผลในวิธีอื่นในกุบาจารย์อื่นอาจะเกิดผลได้แต่โดยตัวของท่านเองลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีนะได้แค่ความสุขความสงบชั่วคราวหรือทําบุญทําทาน <c oughs> ก็ทําบุญทําทานมา <c oughs> มากมายสานะพัดทาบุญกระถินทำบุญบวชพระบวดเมนะ ร, รุสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะต่างกา็สร้างมาเยอะคุณนี นั่นก็เป็นบุญภายนอกแต่ใจยังไม่เป็นบุญใจยังมีความโกรธใจยังมีความโลภใจยังมีความหล ง, ย, งยังติดกาแฟยังติดบุรดียังติดอะไรต่างๆหลายอย่างหลวปู่เทียนท่านบอกว่าปฏิบัติตอนที่ทําบุญทำทานทําความดีแต่ก็ยังติดสิพวกนั้นต่างๆมากมายยังละไม่ได้ยังเลิกไม่ได้แต่พอท่านมาศึกษาเรื่องนี้แหละ การื่อกระึกสติครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เรียกว่าจองทำตามรูปแบบการเคลื่อนไหวดูแต่ให้มีคำบริกรรมให้มีการบริกรรมด้วยวัดจริงนิ่งเรับเคลื่อนก็ให้พูดในใจวัดจริงเวลาหยุดก็ให้พูดในใจว่านิ่งเขาคือเคลื่อนหรือว่าหยุดนี่แหล ะ, ะอันนั้นคือภาษาอีสาร น, นะจริงนิ่งภาษาอีสานเขาคือเคลื่อนแล้วแล้วก็หยุด ให้กำหนดนะให้กำหนดเลด้วยนะเวลาทำอะไรให้พยายามกำหนดกำหนดกิตไม่ให้มีบล็อกแร้ไปที่ไหนทำอะไรให้กำหนดโดยอาศัยทำบริกรรมมากำหนดกิตอีกทินึงแต่หลงปู่เทียนถ้ารู้สึกว่าการทำแบบนั้นกิตมันเหนื่อยจิตมันหนักหรือว่าทำแล้วก็ได้ผลแค่ระดับคงสมาธิท่านก็เลยแค่ตัดทำบริกรรมออกตัดทำบริกรรมคือคำว่าติหรือว่าคำว่านิ่งออกแค่รู้สึกเฉยเฉยอย่างนี้ เพราะเราอาจจะลองบางคนอาจจะเคยทําแบบบริกรรมมาอาจจะรู้ว่าถ้าต้องบริกรรมด้วยจิตมันมันมีงานที่ต้องเพิ่มเติมแน่นอนมีข้อดีทําให้เกิดสมาธิทําให้ไม่หลงไปได้ง่ายเพราะว่ามันกํากับสองชั้ น, เ, นเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นกุญแจก็ล็อกทั้งเรียกว่าทั้งลูกบิดทั้งมีสายอยู่ล็อกอีกทีหนึ่งล็อกสองชั้น ถ้าโจรจะมาขโมยก็ต้องเรียกว่ า, าเปิดทั้งสองอย่างอันนี้ก็เหมือนกันมีทั้งการเคลื่อนไหวด้วยมีทั้งํงำบริกรรมเข้าไปด้วยเพื่ออะไรเพิ่มให้มันหลงไปคิดเพิ่มให้จิตมันหนีไปเพิ่มให้มันคลุมร้านอันนั้นก็เป็นอุบายแต่พอลองลดหรือว่าเลิกทาบริกรรมออกไปจากจิตใจแค่รู้สึกจิเฉยแล้วก็ไม่ต้องติววางใจว่า ผิดมันจะต้องอยู่นิ่งๆไม่ต้องหนีไปไหนนะอะไรนะมันจะหนีก็หนีไปสิหนีไปแล้วก็รู้เท่าทันดีกว่าหลวงปู่เทียก็เลยสึกแบนี้แหละเคลื่อนไหวไปนั่นโดยไม่ต้องกําหนดอะไรในใจแค่พยายามตามรู้การเคลื่อนไหวพยายามตามรู้การหยุดนิ่งหรือรู้สึกถึงการสัมผัสรู้สึกตัวเฉยๆธรรมดาเนี่แหละมันตับก็เห็นว่าอ๋อใจมันก็ไม่อยู่นิ่ง พนะยายามที่จะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวการทําอะไรต่างๆก็ดีใจมันก็ยังไม่อยู่นิ่งเนาะนะมันเห็นว่าอ๋อที่แบบหลวงปูเทียนท่านบอกว่าดูกายก็เห็นจิตนะดูกายเฉยไม่ได้เห็นแค่กายมันเคลื่อนมันไหวมันหยุดมันนิ่งเฉยแต่ดูกายกลับมาเห็นว่าจิตมันอยู่นิ่งไม่ได้ถึืบางทีก็เห็นว่าจิตที่แท้จริงมันก็นิ่งนิ่งอยู่ก็มีดูกายนะจะเห็นย้อนกลับมาเห็นจิตไม่ใช่ดูกายก็ื่จะเห็นกายเยียงเดียว แต่ดูกายบางทีก็เห็นกายรู้สึกที่กายเฉยๆไม่คิดไม่ปุม้มไม่แต่งอะไรก็รู้สึกได้เหมือนกันก็สุขเหมือนกันแต่บางคราวพอดูกายไปความคิดหรือว่าจิตใจมันแวบ๊บมันแทกมัโผล่ขึ้นมาแล้วก็เห็นอ๋อความคิดมันแทกกันมาแล้วไม่ได้ห้ามความคิดนะแค่รู้ทันว่าความคิดมันเกิดขึ้นอันนี้ดูกายแล้วก็จะเห็นคิดถ้าเราเห็นนะ ดูคิดนะก็จะเห็นทำตามไปด้วยนะก็คือว่าเห็นว่าโอ้จริงกระบวนการความคิดที่โผล่ขึ้นมาไม่ไั้ไม่ตั้งใจคิดนะอ่ามันเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงของสิ่ทั้งหลายมันโผล่ขึ้นมาของมันเองเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปของมันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นมันก็เกิดเมื่อหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้เปียงเห็นเลยว่าโอ้ความคิดอ่ รู้ความคิดเห็นความคิดเนี่ยกอมันวางมันวางการจูงแสงมันวางความคิดได้จิดก็พัดมาเบามาสบายทัง้งนึ่งมันคนที่รู้ตัวว่ า, วาอ๋อไปบางไปแบกภาระอะไรไว้นอกนะอย่างที่าาว่าเราได้ตรวจนะภาระอวัวะเป็นจักรพรรคาไอ้ที่เราแบกจริงๆนะแบกบ ข, นะขันของตัวเองนี่แหละนะขันตั้งข้าไปฟองหนักเนือ้อโดยจกไม่ขันรูปประขัน นะรูปประขันก็คือร่างกายนี่แหละท่านะทั้ง4ี่ดินนะ้ำลมไฟเนี่ยเรียกว่ารูปประขันนะใครแบกถือรูปไว้นะก็นหนักนะหลายคนพอเวลาธรรมดาธรรดาคนทั่วสุดเองไม่ไอ้แบกเท่าไรแต่เวลาตอนทุกข์หนักๆเช่นไม่สบายกายเป็นะโรคใครไข้เจ็บหรือแม้แต่ปวดแคนปวดขานะจะแบกทันทีนะ ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าเราแบกขันเท่าไหร่หรอกเพื่ถึกปล่อยวางได้แต่พอเวลามันทุกขเมื่อไหร่นะโอขันของเรานะรูปของเรานะอยากให้รูปมันดีอยากให้มันหายอยากให้มันสบายสุดท้ายคุณที่สุดมันจะตายก็ไม่อยากมันตายเพราะว่าอะไรกลัวกลัวเจ็บมากกว่านี้แค่นี้มันยังเจ็บไม่พอเหรอกลัวว่าตายมันจะเจ็บมากกว่านี้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเจ็บที่ควารมานแล้วแต่ก็ยังเรียกว่า ยังกลัวตายเพราะอะไรไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปที่ไหนะจะไปเกิดเป็นอะไระตายไปได้หรกลัวก็จะทุกข์มากกวบาเก่าเลยซ้ำหรือบางคนอาจจะไม่กลัวก็ได้นะแล้วแต่น ะ, ะเราก็เยังหัวงขันนี่แหละเรื่องลูกนะลูกประคันนี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราต้องดูนะดูให้เห็นว่ารูกประคันที่แท้จริงเป็นแบบไหนมันแค่ตัวไม่ใช่ตัวของเราไหมไปแบบไปถือไว้นั่นแหละคือพาด แบกรูปไว้เป็นภาระไหมเราสังเกตดูหรือว่าเราแค่ใช้รูปติดใจใช้ไม่เป็นภาระได้เป่าเช่นเรามีรถเนะาะใส่คนก็ขับรถมาที่นี่มีรถทำแบบรถไว้ไหมหรือว่าแค่ถือตุ้แจไว้เวลานั้นก็ไปสการ์ชื่อื่นถึงที่หมาก็ขอดุ้มแจลงมา อ, อันนี้คือการได้แบบเรามีเามีรูปเรามีรถ แต่เราไม่แบกบลูกไว้ไม่แบกบลูไว้ให้เป็นภาระเราก็ใช้เฉยๆเรามีลูกที่ยืนเดินนั่งนอนที่ทำอะไรได้ก็เหมือนกันเราคังเกตดูเมื่อไรที่เราไม่แบกนะมันก็ไม่ทุบเรื่องลูกเมื่อไรที่เราไปยึดว่าอ้อมีลูกของเราเช่นมีคนมาทําร้ายก็ไปยึดว่าเขาทำร้ายเราที่จ ร, ริงเขาทําร้ายลูกนะไม่ใช่ทําร้ายเราอืนะ เขาทำลายรูปอกเฉยๆไม่ทำลายเราแต่พอเราไปยึดว่ารูปนี้เป็นของเราก็เลยรู้สึกว่าเขาทำลายเรานี่ยถ้าเราเห็นทำไมชาติเป็นแบบนี้นะอ้อแล้ว ก, ก็จะไม่ทุกเพราะว่ารูปมันเปลี่ยนแปลงไปถึงสุดท้ายก็ไม่ทุกเพราะลูปมันตายไปอันเนี้ยแหละคือเรื่องของรูปน้ำก็เหมือนกันขันที่เป็นนามก็มีสี่ประการเนาะวทนาสัญญาสำคาญวิญ ญ, ญาณ เนี่ยเป็นเรื่องของนามารรมเราแบบเราไปถือนะเวทนาเวทนาคืออะไรคือความสุขคือความทุกข์หรือว่าความเฉยเฉยความเป็นกลางๆนี่คือเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนามันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ของอะไรนะมันเป็นของที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยเท่งนั้นแต่ถ้าเราไปยึดเวทนาไว้ว่าเป็นของเรา เช็นสุกขเวทนาเกิดขึ้นอยากให้มันสุขนานๆนะสุขเวทนาเกิดขึ้นไม่อยากให้มันทุขแล้วอยากให้มันหายไปหรือเฉยๆเกิดขึ้นพ็พยายามประคองความเฉยไว้อยากให้มันเฉยแบบนี้หรือบางคนก็ไม่ชอบความเฉยนะหือเฉยไม่ได้ตั้งหามาเรากระตุ้นก็มีถ้าเราเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นเพียงว่าเวทนาเท่านั้นมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นอากาศตอนนี้กำลังสบาย บางคนก็รู้สึกสบายบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สบายอันนี้เวทนาตัวแต่ละคนไม่เท่ากันนะเกตุปัจจัยภายนอกอาจจะเหมือนกันเช่นอากาศในตอนนี้แต่บางคนอาจจะรู้สึกเฉยบางคนรู้สึกมีความสุขบางคนรู้สึกทุกข์อ่าก็มีมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเราให้ค่าแตกต่างกันเราให้ค่าความสุขให้ค่าความทุกข์หรือให้ค่าความเฉยนี่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่มันจะทําให้พลาดซ้อนลงไปก็คื อ, อว่า เราไปยึดส่ว น, นั้นไว้ไปตัวของเราหรือเปล่าหรือถ้าเราแค่เห็นว่าอ๋อมันรู้สึกแบบนั้นจริงนะมันแค่เป็นแค่เวทนาแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ศึกเราเป็นผู้ทุกหรือเราเป็นผู้เฉยเห็นแค่เวทนาเกิดขึ้นภายในใจเท่านั้นเหมือนกับแก้วน้ําที่มันใส่น้ําสีแดงบ้างใส่น้ําสีดําบ้างหรือว่าใส่น้ำใส่ใส่บ้าง แก้วก็เหมือนกับจิตใจนี่คืพูดโดยสมมติเนาะมันกับจิตนะใจมีสุขเกิดขึ้นมีทุกเกิดขึ้นหรือใชใช่เกิด ข, ข, ขึ้นเหมือ น, นกับสีนะสีคอาน้ำโพกน้ำแรงหรือว่าน้ำเปล่าธรรมดามันย่อมให้สีแตกต่างกันไปแต่น้ำไม่ใช่แก้วเวทนาก็เหมือนกันเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นเพียงสิ่งใหดล้อรเข้ามาในจิตเท่านั้นเมื่อใดที่เราไปยึดเวทนาไว้เป็นตัวเป็นตนของเรา เหมืกับเราพยายามที่จะไปจับน้ําไวนะ้เราไปจับน้ําแน่นอนน้ํามันมีความไหลมีความลื่นมันต้องหลุดหายไปแหละนะเราพยายามที่จะคล้องไว้ก็เป็นภาระเป็นความเหมนื่อยนั่นแหละพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนะี่ยภาราหะเวเปันจัพันธะาขันทั้งห้าเป็นของหนักจะคันอะันไหนก็เป็นของหนักนะอันนี้ยเวทนาสัญญาล่นะความจําได้หมายรู้นะ เราจำอะไรได้ก็อยากให้มันจําอยู่ตลอดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ท <c oughs> ี่จริงมันดีซะอีกที่เราลืมสะบ้างถ้าจำได้ทุกเรื่องราเอาแค่ชาตินี้ก็ลกลงดังแล้วนะ <c oughs> ไปจำาคนไปเอาเรื่องของอดีตมาปูกมาพัน <c oughs> โอ้จริงนกลงรังก็ไปใหญ่นะที่จริงความจําไม่ได้ของมันนะก็มีประโยชน์เยอะนะทําให้สนองไม่ลบนะมันก็ทําให้เบาสบายบ้าง แต่เมื่อไหรที่เราพยายามสังเกตไหมเรื่องไหนที่เราอยากจะคิดไม่ได้เนยพยายามคิดคิดคิดคิดคิดเท่าไหร่ยิ่งปวดหัวที่เรื่องไหนยิ่งหนักแต่พอเลิกคิดก็บางทีมันกลับสวางกับรู้ขึ้นมาของมันเองเนี่ยบางทีความทุกข์มันไม่เกิดจากการคิดไม่ได้จำไม่ได้นะแต่ความทุกข์มันเกิดจากเราอยากจะให้มันได้อยากจะให้มันจําอยากให้มันมาตอนนี้อยากให้มันรู้ตอนนี้แต่จริงบงที ความลืมถ้าเราไม่ตีกิดออกลืมก็เรื่องของมันเนี่ยสัญญาณไม่เที่ยงมาแสดงตัวตนแบบนี้ความจําไม่เที่ยงบางทีมันก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเรฝึกแบบนี้นะไม่ใช่ฝึกสติมีบัญญาแล้วจะไม่จําไม่หลงไม่มีลืมไม่ใช่บางทีเซลล์สมองมันก็ตายความจําเป็นเรื่องของสมองก็มีนแต่มันลึกได้ของมันก็มีระลึกไม่ได้ของมันก็มี มันก็มีหลายเหตุปัจจัยเนี่ยเราไม่ไปยึดความจํานี้ที่จริงความจําที่ทําให้เกิดทุกข์คืออะไรมบางทีประสบการณ์ของเรานี่ยแหละมาทําให้เกิดทุกข์ต่งต่างเช่นบางคนทีประสบการณ์ในการกลัวทุกแกสมมตินะกัวทุกแกจะเข้าไปพักที่ใหม่ๆก็จะบางทีก็ประสบการณ์สัญญาของเรานที่จําว่าที่กลัวจะเจอตุ๊กแกเอก ไปเจอพอไปักที่ใหม่แล้วก็มีสัญญาณนี้ขุดขึ้นมาที่นี่จะมีตุ๊กแกรหรือเปล่าจะนอนได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยมันก็จะกลัวไปขํามันก่อนร่วงหน้ากันเองนี่ยบางทีความคุกของเราเนี่ยเอาจากเรื่องราวในอดีตเก็บมาคิดว่าอาจจะเจอในอนาคตก็เลยกลายเป็นความคิดเนี่ยสัญญาตรงนี้แหละทําให้เราคุกเดย ง, ง่ายๆบางทีถ้าเราเจอคนที่อาจจะเคยทะเลาะกันเคยมีปากเสียงกัน แค่เห็นหน้าก็าเอาเลยเอาอดีตมาปรุงแล้วไม่สบายใจแล้วเ <c oughs> จอปีนนี้แล้มันจะมาท้าไหนนอ้อเดี๋ยวบางทีก็เปิดความตกแต่งเราจะเอามันก่อนดีกว่าไหมแบบนี้ก็มีนะเอาสัญญาเก่ามามาทุบบางทีก็เอาสัญญาเก่ามาสุกก็มีเนี่ยสัญญาพวกนี้แหละที่พู้เชี่ยค์ท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดอย่าไปยึดสัญญาถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปยึดอดีต ว่ามันอาจจะเป็นอนาคตเหมือนคท้ายๆเป็นความน่าจะเป็นเนาะเมืนเรามีตัวสถิติอะไรต่างๆเก็บไว้ในใจประสบการณ์ของเราก็เหมือนกับประสถิติที่เราเก็บไว้แต่บางทีศึกษายจริงนะสติมันก็ไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ว่าการจะต้องสูงขึ้นตลอดไปการต้องตกลงตลอดไปมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปมันมีความไม่แน่นอนของมันอยู่ เนี่ยถ้าเราศึกษาธรรมะจะเห็นว่ากความไม่แน่นอนของมันเป็นแบบนี้อันนั้นสัญญามันไม่เที่ยงเป็นแบบนี้ด้วยเองสัญญาที่มันทําให้เกิดความทุกข์เป็นแบบไหนเพราะว่าเราไปยึดไว้ด้วยเองมันจะเที่ยว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองแม้แต่สังขารก็เช่นเดียวกันสังขารคือการคลุงแต่งมันคลุมแต่งคลุมแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเช่นบางคนตัวผียังไม่เห็นผีนะตัวผีละ มีคนตายเกิดขึ้นก็เจ็บก็กลัวทั้งในจริงทุกคนตายทุกวันนะแต่บังเอิญเราคนอาจจะตายใกล้ๆตัวหน่อยในที่พักใกล้ๆเราก็เกิดกากปูนแต่งได้ง่ายหรือไปในสถานที่ป่าช้าหรือบางคนไปนอนวัดนิดก็เกิดความกลัวมากกว่านอนที่บ้านานอนที่โรงแรมนะมันก็เป็นสัญญาณที่เราปูงนี่แหละลนะูนแต่ง เรื่องราวขึ้นมาบางทียังไม่เจอเลยหรอกแต่ยิ่งปรุงนะบางทีมั น, นกลับเจอในนิมิตในแสงในเสียงในกลิ่นก็มีนะของคนจะเจอขีจากนิมิตนี่แหละสัญญาที่เราปรุงนี่แหละบางทีเรื่องพวกนี้นะเจอแล้วไม่ว่ากันดีกว่ายังไม่เจอแต่ไปทุบไปครัวก่อนเนี่ยเรียกว่ามันทุบร่วงหน้าไม่เกิดประโยชน์แต่เราฝึดเพื่ออะไรพอมีสติมันจะรู้ทันอ้อ ความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเราเอาสัญญามาปรุงแต่งต่อเอาความคิดมาปรุงแต่งให้เองนะมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์แต่พอมีสติมันจะวางตรงนั้นอันทีวิญญาณก็เหมือนกันนะวิญญาณการรับรู้ที่จริงวิญญาณคือการรับรู้รับรู้ทางตารับรู้ทางหูจมูกลิ้นกายหรือรับรู้ทางใจแค่รับรู้เฉยๆมันไม่ทุกข์ แต่เมื่อไหร่ว่าไปยึดหรืไปปรุงต่อในการรับรู้นั้นตาเห็นรูปมันไม่เฉยเฉยมันไม่รู้เฉยเฉยไปปรุงต่อว่ารูปนี้สวยรูปนี้ไม่สวยรูปนี้ดีรูปนี้ไม่ดีใจก็เหมือนกันมันไม่รู้เฉยเฉยเส้เนมแมลงเกิดขึ้นมแมลงส่งเสียงเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้เฉยเฉยมันก็สัดแต่ว่ามันเป็นเสียงเป็นกบเป็นเสียมมแงแมลงแต่ถ้าเราไม่เฉย อยากจะให้มันเงียบนะหรือว่าไม่อยากให้มันร้องตอนนี้จิตของเราไม่เฉยลัก็ไปเกิออดความทุกข์กับมันหรือบางคนชอบบางคนเช่นบางคนชอบนกไปยินเสียงนกโอจิตก็ไปหานกทันทีนกอะไรนอนกอเสียงร้องร้องใครร้องดีแบบนี้ก็มีแล้วแต่ว่าจิตมันจะไปคุมต่อด้นานชอบด้านไม่ชอบหรือว่าแค่เฉยเฉยอันนี้แหละ ภาระภาระของพวกเราคือคนนี้การที่เรามาฝึกหัดก็คือมาฝึกวางภาระการแบกบการถีอในรูปประคันและนามประคันต่งางๆนี่แหละเมื่อมีสตินะมันจะวางมันจะวางการยึดถือทันทีมีสติรู้รูปมันก็ไม่ถือรูปเห็นเลยว่ารูปมันเป็นธรรมชาติเป็นแบบไหนมีสติรูท้ทันก็จูงก็วางไปตรงนั้น มีสติรู้นามมันทําที่เกิดขึ้นภายในจิตมันก็วางการยึดถือการปรุงแต่งจิตตรง น, นั้นออกไปมันเห็นว่าอ๋อตัดไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตตรง น, นั้นแต่จิตมันไม่ใช่จิตนะจิตที่แท้จริงไม่เป็นอะไรไอ้พวกนี้มันจรเข้ามาชั่วคราวเหมือนกับสาราหลังนี้ก่อนที่เราจะมาก็ไม่มีใครมาใช้มีพวกเราก็มาใช้ชั่วคราวเราก็ไม่ใช้ตลอดไปแบบเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จากไปละ คิดก็เหมือนกันมันสเสมออารมณ์ให้ชั่วคราวที่จริงมันชั่วคราวเร็วมากๆบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากคิดปุบรู้ปับ๊บประดับทันทีหลอมใหม่ก็คิดใหม่วงใหม่งานเกิดขึ้นใหม่ทันทีมันเปลี่ย น, ม, นมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าอ๋อในแต่ละนานทีเนี่ยจิตมันคิดหลายครั้งมากยกมือสิสจังหวะเนี่ยบางทีรู้ไม่กี่ครั้งหรอก นะรู้ในการยกมือไม่กี่ครั้งแต่ความคิดแทรกเข้ามาหลายเรื่องมากคิดเข้ามาแล้วอา้าวกลับมารู้ตัวใหม่ความคิดก็กลับมาแทรกใหม่อีกทีนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแม้แต่ความมว่วงก็เหมือนกันนะบางทีก็ไม่ได้ง่วงต่อเนื่องหรอกง่วงแล้วก็รูนะ้รู้แล้วก็มว่วงต่อแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานนั้เหมือนกันนะความคิดความมว่วงความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่ไหนะตามเหตุตามปัจจัย แต่สิ่งที่เราฝึกก็คือเนี่ยฝึกให้ฝึกความรู้บ่อยๆฝึกให้มีสติบ่อยๆเมืม่อเราฝึกออกจากตตานี้นะมันก็จะถอนตัวออกจากความหลงออกจากความทุกข์ได้บ่อยจิตที่ถอนตัวออกจากความทุกข์ออกจากความหลงได้เนีน่ย <Later> เรียกว่าจิตที่มีปัญญามันรู้ว่านะตายแล้วก็ใจันเป็นแบบนั้นสติและปัญญามาาันจะถอนออกมาอยู่เหนืออยู่เหนืออาการตรงนั้นเร <ipl> ียกว่าอยู่หรือว่ารู้ รู้ทันอาการของกายของใจไม่เข้าเต็มเต็มถ้าภาษาของฮองเผียนี่นบอกว่าเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นไม่ไม่ได้เป็นสุกไม่เป็นฟุกในเรื่องของกายในเรื่องของใจแต่เห็นมันสุกเห็นมันฟุกตรงนี้สําคัญนะ keyword ในการปฏิบัติเห็นไม่เข้าเต็มเต็มอาการอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เห็นเห็นเห็นเห็นแล้วผ่านเห็นแล้วก็ผ่านเหมือนเราขับรถนั่นแหละ เห็นลักิโลเมตรบอกทุกหกิโลเมตรก็ผ่านผ่านอ้อถูกทางแล้วมาทางนี้ถูกทางแล้วเห็นแล้วก็ผ่านไม่แวะไม่พักที่ไหนหรือแวะพักก็ชั่วคราแล้วก็ผ่านแล้วต่อการเห็นเห็นอาการที่เกิดขึ้นในการในใจก็เหมือนกันอ้อเห็นแล้วก็ผ่านไม่เข้าไปติดอะไรเลยผ่านมันไปผ่านมันไปถ้าเราผ่านได้เนาะอ้มันเรียกว่ามันใกล้สุดหมายปลายทางยิ่งขึ้น เราผ่านอารมณ์ต่างๆนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็มีการผ่านอารมณ์มากมายนะที่จริงมีวาระธรรมทั้งหลายความมึ่งเหงาหานอนความลังเวสงสัยความหดหู่ความคิดคุ้มซ่าถือว่าความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางที่เป็นตามมะลาภะไอ้พวกนี้น ะ, ะเป็นการผ่านนะถ้าเราเห็นมันเป็นแค่ทางผ่านเนาะ มันจะผ่านไปได้แต่เมื่อไรดที่เราไปติดนะเหมือนก็ติดลงติดในกามบ้าพอใจในรูปเสียงสินร็บ้างหรือว่าติดในความม่วงบ้างติดในความสงสัยบ้างมันสงสัยเมื่อเมื่อไหใ่ก็พยายามคิดแก้คําตอบให้มันได้นี่คือติดแต่ถ้าเราผ่านเรู้ว่าแค่สงสัยก็ผ่านมันไปรู้ว่าแค่ม่วงก็ผ่านมันไปรู้ว่าคุ้งซ่านก็ผ่านมันไปผ่านไปก่อนผ่านไปก่อน ไม่ไปเอาคําตอบนะหลวงพ่อบางทีท่านบอกว่าอย่าไปเอาคําตอบกับความคิดนะอย่าไปคิดหาคําตอบนะมันเลือกหลวงพ่อบางทีก็พูดว่ามันไม่มีคําถามมีแต่คําตอบคำถามเกิดขึ้นไม่ใช่ของจริงนะไม่มีคําถามปฏิบัติทําไม่มีคําถามมีแต่คําตอบปฏิบัติไปเองได้คําตอบเองนะไม่ต้องถามไม่ต้องคิดนะหลวงพี่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเอาเหตุเอาค้น ทำไมมาถึงเกิดแบบนั้นแบบนี้น่ะเรียกว่าเป็นอาการเอาเหตุเอาผลเอาความคิดเอาความสงสัยมาากมาเอาเหตุเอาผลหลวงพองคห็นบอกปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาเหตุเอาผลไม่ใช่เอาถูกกับคิดคืกผิดก็ไม่เอานะเหตุผลก็ไม่เอาแค่รู้สึกตัวเฉยเฉยรู้สึกตัวไปเฉยเฉยรู้แบบทตื้อไปเรื่อยรู้แบบนี้แปะมันผ่านไปได้เหตุผลไม่ต้องเอาถูกผิดไม่ต้องเอา แต่มันมีอยู่มันมีเหตุมีผลมีถูกมีผิดแต่ไม่ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ไปยึดความคิดไม่ไปยึดเหตุไม่ยึดผลไม่ไปยึดถูกไม่ยึดไม่ยึดผิดนะแต่การไม่ยึดไม่ใไม่ไม่ใช่ว่าทำผิดนะไม่ใช่การไม่ไปยึดว่าอ๋ออันเนี้ฉันถูกอันนี้เธผิดไม่ไปยึดว่าอารมณ์ว่ามันถูกว่ามันผิดเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็ขาดอันนี้แหละคือการปฏิบัติ ภาพทฤษฎีกับภาพปฏิบัตินะบางทีคําพูดนะคำอธิบายอาจจะแตกต่างกันนะแต่ภ า, ภาพภาพปฏิบัตินี่มีจะผ่านเห็นแล้วก็ผ่านนะเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นนะดูแล้วก็ผ่านไปเลยแต่ภาพทฤษฎีอาจจะมีเหตุมีผลมีคําอธิบายต่างๆมากมายแต่ภาภาปฏิบัติแล้วมีจะผ่านไปก่อนแต่ภาพปริยัติแล้วเกิดผลนะเกิดผลแน่นอน ผลคืออะไรเราตรวจสอบได้เองถ้ามันวางความคิดได้เมื่ไรวางการยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อไรนะั่นคือผลก็ไม่ไปยึดแบกขันทั้ง5้าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยคือผลหรือว่าตัดความคิดตัดความทุกข์ลดความทุกข์ดับทุกข์ได้นะ่าคือผลผลนั่นเนี่ยเราตรวจสอบได้เลยอ๋อปฏิบัติไปแล้วมันทุกน้อยลงน้อะปฏิบัติไปแล้วมันกลับ เรียกว่าปล่อยวางได้มากขึ้นนะไปกันไปแล้วรู้จักอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเห็นกายเห็นใจเองมากขึ้นอาจจะเห็นกิเลสก็ได้นะนะไม่ใช่ว่าจะเห็นแต่ด้านที่ดีอย่างเดียวจะเห็นแต่ด้านสุขเห็นแต่ด้านสบายห็นแด้านสวยงามในจิตใจในร่างกายก็ไม่ใช่เห็นกิเลสก็ถูกเหมือนกันนะก็ดีเห็นกิเลสเนะี่ยยิ่งกลับดีทำไม ยิ่งเห็นกิเลสยิ่งทําให้ไม่นยึดติดในตัวในตนของตัวเองแต่ถ้าเห็นแต่ด้านที่ดีนะมันจะยึดเอาแห่งเดียวจะเอาไว้จะยึดถือไว้จะแบบไว้ไม่อยากปล่อยไม่อยากลางฉะนั้นเห็นกิเลสที่เคดขึ้นในใจนะี่แหละยิ่ง ด, ดีเห็นกายที่มันคลุกเห็นกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปยิ่งน้อไปสู่โอ้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจินเนาะมันเป็นของมันเป็นแบบนั้นเองเนาะอันนี้แหละคือเรื่องของภาพ ปริญญาปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทที่มันสาคัญกันตรงนั้นเนาะนี่แหละการฝึกปฏิบตินะในแนวทางขนะ อ, อ, อ, อ, อ, องลหลวงพ่อเทียนนะที่หลวงพ่อคุณเขียนท่านถ่ายทอดมาต่อพวกพวกอาจายที่งพวก็จะมา์ทั้งสองรุ่ไม่ได้พันหลวงพ่อเจียนไห้มาเรียนรู้วิธีนี้กับหลวงพ่อตเทียนครา้งหนึ่งเนาะก็เรียกว่าก็นํามาบอกต่อพวกเรานะให้เด้ปากันศึกษาปฏิบัติกันต่อไปเพราะว่าที่จริงนะทางนี้ก็ไม่ใช่ของ หลวงพอเทียนหรือ ว, ว่าของใครหรอกนะมันเป็นที่ไม่ใช่ของใครแม้แต่ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มันเป็นของสาคนของทุกคนหลวพพ่อคำเกติ่งบอกว่าทุกคนมีสิทธีที่จะไม่ทุกข์ไยใช้จิทธิ้แบนี้ไหมสิทธิที่ไม่ต้องมีรัฐธรฐ ร, รมนูนไหนบัญญัติไว้แต่ทุกคนมีสิทธตที่จะไม่ทุกข์การเจริญสตนะิหรือว่าสติประธานสติก็จะเป็นเป็น วิธีการที่จะทําให้เรามีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ได้เนาะก็อยากให้พวเราได้ฝึกสติให้มันพัฒนาจิตพัฒนาใจนะเสดจปัญญาแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดการปล่อยวางเข้าสู่สิทธิไม่ทุกข์เนาะก็เนี่ยเรามีสิทธิที่จะทําตรงนี้กัทุกคนอย่ากใพวกเราได้ใช้สิทธิตรงนี้ให้เต็มที่นะฝึกให้มันมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทำในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบเนาะเราจะให้เข้าถึงความทุกข์ทั้นะทุกคนทุกท่านด้วยกลับพระองคมกันก่อนสระหังตัมมาจงรู้พระธรรมจุดจังระวัามาิวาท